บทที่23รถบัสเคลื่อนตัวช้าๆออกจากบ้านนางสุชาดาบรรดาเด็กๆทั้งเล็กและโตพากันวิ่งตามปากก็ร้องขอเงินทั้งที่ไม่มีผู้ใดให้พระมกุเทศเล่าว่าเมื่อก่อนผู้สแสวงหาบุญใช้วิธีโยนเงินลงไปข้างหลัง จากที่ลดเคลื่อนตัวแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้นบรรดามคุเทศทั้งหลายก็พากันตั้งกฎว่าห้ามโยนเงินให้ขอทานเรื่องมีอยู่ว่าผู้สแสวงบุญจากประเทศสีลังกาได้โยนเงินลงไปให้ขอทานขณะที่รถกําลังแล่นพวกเด็กๆวิ่งเข้าไปใส่รถเพื่อจะไปแย่งเงินที่คนโยนลงมาความอยากได้เงิน ทำให้ลืมนึกถึงความปลอดภัยของชีวิตเด็กคนหนึ่งถูกรถทับตายคนขับอาศัยช่วงที่กำลังชุลมุนนั้นเปิดประตูด้านข้างหลบหนีไปเพราะเป็นธรรมเนียมของคนประเทศนี้ว่าเมื่อขับรถชนคนจะต้องหลบหนีเอาตัวรอดไปก่อนหากไม่หนีก็จะถูกประชาทันจนถึงแก่ความตายเมื่อคนขับหนีไปรถบัสทั้งคัน ก็ถูกเผาข้าวของเสื้อผ้าของผู้สแสวงหาบุญจึงถูกเผาไปด้วยนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครให้เงินขอทานโดยวิธีนี้อีกนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อเถอะครับหลวงพ่อยังไม่ได้บอกจุดที่ผมมาบรรยายผิดพระเจริญนิมนต์ท่านพระครูเจริญจุดที่ผิดก็คือเรื่องนางสุชาดาหนี่แหละที่ท่านบรรยายว่า พระนางสุชาดาถวายข่าวมัทุปายาตแด่พระโพธิสัตว์หลังจากที่พระองค์ทรงอดอาหารมาเป็นเวลานานถึงหกปีแล้วยังบรรยายอีกว่าพระนางสุชาดาได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์จุดแรกที่ท่านผิดก็คือท่านเรียกพระนางสุชาดาว่าพระนางสุชาดานางสุชาดาเป็นบุตรีในบ้านเสนานิคม จึงไม่ต้องเรียกพระนางและตอนที่นางถวายข้าวมาทุปายาดนั้นพระโพธิสัตว์ทรงอดพระกยอาหารมา45วันไม่ใช่6ปีอย่างที่ท่านบรรยายใครจะอดได้ตั้ง6ปีพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านเหมือนผมการอดอาหารได้ตั้ง45วันก็นับว่าอุ ก, กรฤตชนิดที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้ แต่ที่พระองค์ทรงทําได้ก็เพราะอาศัยอํานาจฌานสมาบัติที่ทรงเรียนมาสมัยที่อยู่กับท่านอาราลดาบทการมโคดและท่านอุทกกาดาบทรามบุตรท่านตอบผมมาก่อนว่าพระโพธิสัตว์เรียนกับท่านอาราลาดาบทสําเร็จถึงขั้นไหนขั้นอรุปฌานครับพระองค์สําเร็จอรุปฌานที่สอันมีชื่อว่า อากินจัญญายตนะคือกําหนดภาวะที่ไม่มีอะไรๆเป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนกับท่านอุตกะดาบทตรามบุตรสำเร็จอรุปฌานที่สอันมีชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะคือภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พระมกุเทศ ต, ตอบเกินคำถาม ขอประทานโทษนะคะทำไมพระอาจารย์ถึงต้องพูดว่าอันมีชื่อว่าถ้าไม่มีอันไม่ได้เหรอคะดิฉันฟังแล้วรู้สึกขัดขัดหูนางสาวสายใหญ่รักถามด้วยความเกรงใจมันเป็นสำนวนบาลีนะคุณโยมภาษาบาลีจะต้องมีแจกวิพัตติซึ่งมีทั้งหมดแปดได้แก่ปัทมาวิพัตติ ทุติยาวิพัตติตัติยาวิพัตติจะถุถีวิพัตติปัจเจมีวิพัตติชัตถีวิพัตติสัตตมีวิพัตติและอาละปะนะวิพัตติพระเจริญถือโอกาสทบทวนภาษาบาลีที่ได้เรียนมาบ้างและ ท, ทําทีว่าจะลืมแปลกตรงที่ นางสาวสายายรักไม่เคยเรียนบาลีมาก่อนหากหล่อนก็เข้าใจในสิ่งที่พระมะกุเทศพูดถึงร้อยละปสทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะปัญญากำลังพัฒนามิใช่ปัญญาทางโลกแต่เป็นปัญญาทางธรรมวิพัตติที่8ทํทำไมถึงเรียกว่าอัตถมีวิพัตติทำไมไม่เรียกอาลปะนะวิพัตติ เพราะวิพัติที่1น่ถึงเยังเรียกตัวเลขหล่อนตั้งข้อสังเกตอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้อธิบายให้ฟังพระมกุเทศโทษครูบาอาจารย์ดิฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ถามมากกว่าหญิงสาวเข้าข้างครูบาอาจารย์ หลวงพ่อวัดดอนเมืองรู้สึกร้อนตัวแทนครูบาอาจารย์จึงได้พูดขึ้นว่าครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านอธิบายว่าอาลปนะเป็นคำร้องเรียกไม่ใช่แจกวิพัตเตจึงไม่ต้องเรียงลําดับเหมือนวิพัตเตอื่นๆครูบาอาจารย์บางท่านจึงไม่รวมอาลปนะเข้าในวิพัตเต โดยสอนว่ามีเจ็ดวิพัติกับหนึ่งอลปนะหลวงพ่อฉันชักจะเวียนหัวกับคำพูดที่ว่าครูบาอาจารย์แล้วนะเปลี่ยนเรื่องพูดเธอแม่ชีปวนพูดขัดขึ้นยังเปลี่ยนไม่ได้แม่ชีก็ทําใจสิคิดสวกครูบาอาจารย์ทันให้ความรู้หลวงพ่อทองวัดดอนเมือง ตั้งใจยั่วอุบาสิกาไว้ใกล้เคียงกับท่านท่านพระครูจึงช่วยหลวงพ่อวัดดอนเมืองด้วยการสนับสนุนว่านั่นสิหลวงพ่อเดิมสอนอาตมาว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อน อาตมาเคยอยู่กับท่านหเดือนก่อนที่ท่านจะมรณะภาพตอนนั้นอาตมายังนมเพึ่งบวชได้พรรษาเดียวจะไปขอให้ท่านทําพิธีศึกให้พระอุปชาของอาตมาไม่ยอมศึกให้ท่านบอกว่าไม่มีเลิกอาตมาก็นวดให้หลวงพ่อเดิมทุกวันและก็ขอเลิกศึกจากท่านท่านก็พูดเหมือนอุปชาของอาตมาว่ายังไม่มีเลิกศึก แล้วท่านก็ให้เรียนวิชาคชศาสตร์กับธาตุสีอาตามาก็บอกว่าไม่เรียนเพราะไม่รู้จะเรียนไปทำไมท่านด่าเลยว่าเจ้าหน้าโง่อย่ายิงจองห้องเป็นแมงปองผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้าอาตามาก็เลยต้องเรียนวิชาคชศาสตร์กับธาตุสีพอท่านสอนอาตามาเสร็จ ท่านกรมรนภภาพต่อมาอาตมาก็ได้ใช้วิชาคชศาสตร์ส่วนวิชาธาตุสียังไม่ได้ใช้แล้วท่านศึกให้หลวงพ่อหรือเปล่าคะสาวใหญ่ที่จ้างค่าสามีด้วยเงินสองแสนบาทถามขึ้นเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดสักเท่าไหร่ก็ท่าศึกอาตมาจะไม่เป็นพระอยู่อย่างนี้หรือไม่น่าถามท่านพระครู พูดเสียงดุเล็กน้อยสาวใหญ่กำลังสับสนเรื่องสามีมีภรรยาน้อยจึงถือโอกาสร้องไหย้ยังผลให้คณะผู้สแสวงบุญคนอื่นๆพากันตก อ, อกตกใจพระเจริญจึงดุซ้ำว่าอะไรกันกรูบาอาจารย์พูดแค่นี้ต้องร้องไห้ด้วยโยมไม่มีเหตุผลเลย ท่านตั้งใจใช้คำว่าครูบาอาจารย์เพื่อยั่วแม่ชีปวนทำไมหลวงพ่อเดิมท่านถึงไม่ศึกให้หลวงพ่อล่ะคะนางสาวสายใ่รักอยากฟังเรื่องหลวงพ่อเดิมมากกว่าท่านพระครูจึงตอบว่าท่านบอกหลวงพ่อว่าศึกไปเธอตายหลวงพ่อก็ถามว่าทำไมต้องตายคนอื่นเขาศึกกันมากมายไม่เห็นตาย ท่านก็ตอบว่าเพราะเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่วนเธอฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากถ้าสึกออกไปเธอต้องตายแน่นอนหลวงพ่อกลัวตายก็เลยไม่สึกแล้วก็เลยต้องเป็นพระมาจนทุกวันนี้เกาะครูบาอาจารย์ท่านไม่สึกจะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ได้อย่างไรท่านตั้งใจยัว่วแม่ชีปวนด้วยคําว่าครูบาอาจารย์ รู้ว่าถูกพระพร้อมใจยัว่วแม่ชีป่วนเลยหน้างอเป็นม้าหมากรุกหลวงพ่อครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องภาษาบาลีให้โยมเขายังบรรยายไม่ทันจบเลยครับนานๆนนผมจะได้ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ท่านไม่วายยั่วแม่ชีซึ่งบัดนี้หน้าเหมือนม้าหมากรุก ท่านพระครูจึงอนุญาตว่านิมนต์พระมกุเทศอธิบายต่ออายตตานิบาศหรือคาแปลแต่และ ว, วิพัตติมีดังนี้ปัตมาวิพัตติหรือวิพัตติที่หนึ่งอาญตนานิบาทคืออันว่าวิพัตติทั้งสองซึ่งสู้ยังสิน้นวิพัตติที่สาด้วย โดยอันตามเพราะมีวิพัติที่สได้แก่เพื่อต่อวิพัติที่หแต่จากกวา่าเหตุวิพัติที่หแห่งของเมือ่อวิพัติที่7็ในใกล้ที่ครั้นเมือ่อเพราะในและวิพัติที่8 หรืออลปนวิพัตติอายตานิบาตหรือคำแปลคือเน่ดูก่อนข้าแต่ที่อาตมาอธิบายมาทั้งหมดนี้เพื่อจะตอบคำถามของโยมที่ว่าทำไมพระอาจารย์จึงต้องพูดว่าอันมีชื่อว่าถ้าไม่มีอันไม่ได้หรือคะท่านทวนคำถามให้เสร็จสับถึงตอนนี้ สาวงามนามสายใหญ่รักรู้สึกว่าปัญญาของหล่อนอยังพัฒนาไม่ถึงหากก็ตั้งใจว่าจะกลับเมืองไทยจะไปหาเรียนภาษาบาลีจะได้เข้าใจพระาศาสนามากขึ้นนิมนต์หลวงพ่อบรรยายเรื่องนางสุชาดาต่อเถิค่ะหล่อนประนมมือนิมนต์ท่านพระครูหลวงพ่อบรรยายมาถึงตรงไหนแล้วละ่ะ กับหลอนท่านแทนตัวว่าหลวงพ่อเพราะรู้สึกว่าหล่อนเป็นลูกสาวของท่านถึงตอนพระโพธิสัตว์เรียนสำเร็จฌานที่7จากสำนักของท่านอาลาละดาบทกลละมาโคตและฌานที่8จากท่านอุทกกดาบทรามบุตรครับโยมเซิงเป็นคนตอบเขาเป็นคนมีสมาธิในการฟังมากกว่าคนอื่นๆ อาตมากำลังสรุปว่าที่พระโพธิสัตว์ทรงอดพระกยาหารได้นานถึง45วันเพราะเป็นผลจากการได้ฌานสมาบัติปกติคนเราถ้าอดน้ำ7วันก็ต้องตายอดข้าว15วันตายแต่ถ้าพระโพธิสัตว์ทรงอดได้ถึง45วันแล้วพระนางขออภัยพูดผิดแล้วนางสุชาดาไม่ได้บรรลุอรหัตผล เป็นพระอา ร, าหารหันต์หรือครับแสดงว่าผมมัรนยายผิดก็จะเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวพระเจริญพูดกับพระครูเจริญนางไม่ได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์แต่บรรลุเป็นโซดาบานันพร้อมกับลูกสะพ้ายซึ่งเป็นอดีตภรยาของท่านยะสะกุลบุตรถ้านางบรรลุอาราหัตผลเป็นพระอาราหันต์พระนางต้องบวช แต่ถ้าตอนเป็นช่วงที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆยังไม่มีภิกษุณีท่านตอบผมมาก่อนว่าภิกษุณีมีขึ้นเมื่อไรท่านถามพระมะกุเทศพันศาที่ห้าแห่งการตรัสรู้ครับ ถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่นางสุชาดาจะบรรลุอรหัตผลเพราะคฤหัตบรรลุอรหัตผลแล้วต้องบวชในวันนั้นหากไม่บวชจะต้องนิพพานในวันนั้นเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นท่านพาหิยะทารุจีริยะและท่านสันตติอมาตที่บรรลุอรหัตผลแล้วได้บวชจึงต้องข อ, อนิมนต์ในวันนั้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับแทนคําตอบท่านพระครูถามพระมักุเทศว่าท่านเคยอ่านมิลินทปัญหาไหมคําตอบอยู่ในมิลินทปัญหาเคยได้ยินชื่อหนังสือครับแต่ไม่เคยอ่านนิโม์หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ผมฟังด้วยครับท่านต้องศึกษาอีกมากนะการเป็นมักกุเทศจะต้องรู้รอบตัวโดวยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ หน้าที่ท่านพูดให้พระเจริญเก็บไปคิดญาติโยมเคยอ่านมิลินทปัญหาไหมใครไม่เคยอ่านให้ยกมือขึ้นไม่เฉพาะโยมเท่านั้นที่ยกมือบรรดาบรรพชิตทุกรูปก็ยกมือขึ้นด้วยผู้ที่ไม่เคยยกมือคือคนขับรถกับกระเป๋ารถเพราะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องท่านพระครูจึงขยายความว่า มิลินถ้าปัญหาเป็นคำพีสำคัญที่บันทึกคำสนทนาตอบปัญหาธรรมะระหว่างพระนาคเซนกับพระยามิลินพระนาคเซนเกิดหลังพุทธกาลประมาณ400ปีที่หมู่บ้านกัชชังคละในหิมมาวันตะประเทศเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อโสนุสระท่านเป็นผู้ชำนาญในประเวท ต่อมาก็ได้อุปสมบทโดยมีพระโรหณะเป็นพระอุปชาท่านเรียนธรรมจากพระธรรมรักขิตแล้วก็จเจริญพระธรรมจนบรรลุอรหัตผลท่านเป็นพระอรหันตเถระผูโตวาทชนะพยาไิลินจึงเป็นกษัตริย์เชื้อชาติกรีกแห่งนครประเทศชมพูทวีป พ, พยามิลินเป็นปราดยิ่งนัก โตวาทีชนะพระปราดหลายเท่าในสมัยนั้นจนในที่สุดก็ได้กับพระนาคเส์เกิดความเลื่อมใสกันหันมายอมรับพระพุทธศาสนาและเป็นองค์อุปธรรมพกสำคัญพระนามภาษากรีกว่าพระเจ้าเมนันเดอร์ครองราชพุทธศักราช423 สวรรคตรปีพุทธศักราช453ในขี่หีอรหัตตะปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่พระยามิลินถามถึงการบรรลุอรหัตของขรรค์ว่าขรรค์บรรลุอรหัตตะผลมีคติเป็นสองคือหนึ่งต้องบวชในวันนั้นและสองต้องนิพพานในวันนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่มีพระอุปชา จะรอไหวบวชวันอื่นไม่ได้หรือและเพราะเหตุไรไม่ได้บวชวันนั้นต้องนิพพานด้วยญาติโยมอยากทราบเหตุผลไหมท่านถามผู้ฟังที่เป็นญาติโยมอยากครับอยากค่ะญาติโยมตอบพร้อมกันพระก็อยากทราบเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพระรสุขคนพูดในนามบรรพชิต ท่านพระครูจึงบรรยายต่อพระนาคเษนตอบพระยามิลินว่าเพราะความเป็นจริงอรหันเป็นภาวะพิเศษเพศคารหัดเป็นหินนาเพศคือเพศตำ่ำไม่สามารถทานน้ำหนักไว้ได้เป็นเพศที่ไม่สมควรแก่ความเป็นอรหรันและที่ต้องนิพพานในวันนั้นก็ไม่ใช่เพราะการบรรลุอรหัดไม่ดี แต่เป็นภาวะวิเศษสุดเปรียบเหมือนผู้มีราชสมบัติแล้วแต่ไม่สามารถครอบครองได้เพราะมีบุญวาสนาน้อยต้องสละให้ผู้อื่นครอบครองเพราะฉะนั้นจะมาโทษว่าราชสมบัติไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีบุญวาสนาเองนี่เป็นคำตอบที่พระนาคเซนตอบพระยามิลินไม่ใช่คำตอบของพระครูเจริญ และพระครูจเจริญจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรแม่ชีปวนถามด้วยอยากลองภูมิภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าตนก็คงตอบเหมือนพระนาคเษนแต่จะสรุปย่ อ, ยอๆว่าภาวะแห่งความหมดกิเลสเป็นภาวะที่ผู้ครองเรือนไม่สามารถรักษาไว้ได้เพราะการครองเรือนต้องมีเรื่องจุกจิกจูจี ผูหมดกิเลสแล้วจึงใหม่สามารถรับภาวะเช่นนั้นได้หลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดขึ้นว่านั่นสิแต่ผมก็ยังสงสัยอธิกถาบอกว่าพระเจ้าสุทโทธทนะทรงบรรลุอรหัตผลและได้เสวยวิมุตติสุขเจ็ดวันก่อนปรินิพพานซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขัดแย้งในมิลินทปัญหาท่านว่าเราควรเชื่อฝ่ายไหนดี หรือว่ายกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นพุทธบิดาท่านพระครูตอบว่าผมว่าไม่น่ามีข้อยกเว้นเพราะคำสอนของพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นธรรมชาติคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีการยกเว้นแต่ถ้าจะให้เชื่อผมเชื่อว่าพระนาคเษนดีกว่าท่านมีเหตุผลอะไร หลวงพ่อวัดดอนเมืองต้องการทราบเหตุผลเหตุผลของผมก็คือระหว่างมิลินทปัญหากับอัตกถามิลินทปัญหาเกิดก่อนอัตถกธ า, นานานถึงห้าร้อปีเศษน่าจะถูกต้องกว่ามากกว่าอีกประการหนึ่งพระนาคเสนท่านเป็นพระอรหันต์ส่วนพระพุทธโคสาจาร์เราก็ไม่ทราบว่า่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เพราะไม่มี ระบุไว้ในคำพีเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งหลักฐานนอกจากมิลินทปัญหาน่าจะหนักแน่นกว่าอัตถกถาแต่ผมเชื่อว่าพระพุทธโคสาจารย์ท่านน่าจะสำเร็จพระอาหารหันต์เพราะท่านรจนาคำพีวิสุทธิมรรคได้ละเอียดชัดเจนงานระดับนี้ผมคิดว่าต้องมาจากพระอาหารหันต์พระปุตชนไม่น่าจะทำได้ นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะครับดิฉันก็อยากทราบเรื่องราวพระพุทธโคสาจารย์ค่ะสตรีที่จ้างค่าสามีเอ่ยขึ้นดีจริงขณะนี้เราอยู่ในถิ่นกำเนิดของท่านพอดีผมขอให้ท่านบรรยายเกี่ยวกับ พระพุทธโคสาจาระครับพระครูเจริญมอบหมายงานให้พระเจริญเพราะท่านรู้ว่าพระมกุเทศสามารถบรรยายได้พระเจริญจึงรับไมโครโฟนจากท่านพระครูแล้วบรรยายว่าพระพุทธโคสาจารเป็นคนพุทธคยานี่เองท่านเป็นบุตรพราหมณ์เกิดที่หมู่บ้านแหน่งหนึ่งที่ใกล้พุทธคยา เมื่อประมาณพุทธศักราช956กริเรียนจบไตรเพศมีความเฉี่ยวชาญมากต่อมาก็ได้พบกับพระเรวัตเถระก็ได้โต้ตอบ ป, ปัญหากันสู่พระเรวตะเถระไม่ได้ขอบวชเพื่อเรียนพุทธว จ, จนะพระพุทธโสาจารย์มีความสามารถมากทำทําให้รจนาคัมพีญาโนทยัย เป็นต้นพระเรวตะเทระจะแนะนำไปที่เกาะลังกาเพื่อแปลอัตถกาถาสิงหนกลับเป็นภาษามาคตคือภาษาของแคว้นมคตซึ่งปัจจุบันท่านเรียกว่าภาษาบาลีท่านเดินทางไปที่มหาวิหารเกาะลังกาซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศศรีลังกาเพื่อขออนุญาตแปลคำพี ท่านถูกพระเถระแห่งมหาวิหารให้คถามาสองบทเพื่อแรกชุดทดสอบความรู้พระพุทธโคสาจารย์จึงแต่งคำอธิบายคถาทั้งสองนั้นขึ้นเป็นคำพีวิสุธทธิมักจากนั้นจึงได้รับอนุญาตให้ทำงานแปลอัตถกถาได้ตามประสงค์เมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วท่านก็เดินทางกลับชมพูทวีป ท่านเป็นพระอัฏกถาจาร์ุวิยิ่งใหญ่ที่สุดมีผลงานมากที่สุดเมื่อสักครู่หลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกว่าพระเจ้าสุดโททนะทรงบรร ล, ลุอรหัตผลและได้เสวยวิมุตติสุขเจ็ดวันก่อนปรินิ พ, พานโยมอยากฟังรายละเอียดคะ่ะขออาราธนาหลวงพ่อช่วยเล่าด้วยโยมผ่องใสกราบเรียนหลวงพ่อวัดดอนเมือง อาตมาไม่ได้บอกอัตถกถาบอกตังหากภิกษุวัวหกสิบเศษพูดออกตัวก็อัตถกถาพูดไม่ได้จะบอกได้อย่างไรหลวงพ่อพูดได้ช่วยบอกคุณเขาหน่อยเถอะฉันก็อยากฟังประดับความรู้เหมือนกันแม่ชีป่วนแก้แทนโยมผ่องใสเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงรับไมโครโฟนจากพระมกุเทศแล้วพูดว่า อาตมาเห็นจะต้องบรรยายบ้างไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเอาเปรียบหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงจนเกินไปในไหนก็มาด้วยกันแล้วและถูกต้องด้วยกันจริงไหมจริงไหมครับหลวงพ่อท่านถามสมภารวัดป่ามะม่วงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับนิโมลหลวงพ่อบรรยายท่านพระครูพูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนม โยมเขาบอกว่าอยากฟังรายละเอียดผมก็เลยต้องอธิบายอย่างละเอียดคือเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจซึ่งหมายถึงกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพญ็ญคือการงานที่พระพุทธเจ้าทรงทำตลอด45พรรษาช่วงระยะเวลา45ปีแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาณสถานที่ต่างๆในพรรษาหนึ่งพระองค์ประทับที่ป่าอิสิปตนามารุคทยวันใกล้กรุงพลาณาสีปโปรดพระปัญจวัคคีย์ให้ได้บรรลุพระอรหัสต์ในพรรษาที่สองประทับณพระเวลุวันกรุงราชคฤห์เป็นช่วงเวลาที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเริ่มแต่ปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ได้อักรักษาวกเป็นต้นและเสด็จนครกบิลพั์ครั้งแรกหลังจากตรัสรู้พระองค์เสด็จพร้อมด้วยภิกษุบริวารสองหมื่น 20, รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันตะขีนาศในเวลาเย็นของวันแรกทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุลญาต วันรุ่งขึ้นเสด็จบินธบาตในพระนครกบิลพัทและก็ได้แสดงธรรมโปรโดพระพุทธบิดาให้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิพล์วันต่อมาเสด็จรับพระหารบินธบาตในพระนครอีกครันเสร็จพัฒกิจแล้วตรัสพระธรรมเทศนาโปรโดพระนางมหาประชาบดีและพระเจ้าสุโทธทนะเมื่อเจบพระธรรมเทศนา พระนางมหาประชาบดีได้บรรลุโสดาปติพลพระพุทธบิดาได้บรรลุสกทาคามิพลวันรุ่งขึ้นอีกพระบรมศาสดาเ ส, สด็จไปรับพัฒหานบิณฑบาตเป็นวันที่สามครั้นเสด็จพัฒกิจแล้วตรัสเทศนามหาธรรมปารชาดกโปรดพระพุทธบิดา ให้สําเร็จอนาคามิผลครถบัสแล่นมาจอดหน้าห้องโถงวัดไทยพุทธกยาหลวงพ่อวัดดอนเมืองจุงยุติการบรรยายด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้เราเหนื่อยกันมามากแล้วขอเชิญญาติโยมลงไปอาบน้ำอาบท่าและรับประทานอาหารพรุ่งนี้หากมีเวลาอาตมาจะบรรยายต่อ